ทำใจให้รู้อยู่ในการนั่งนั่งขัดสมาธิทำความรู้สึกว่าขาขวาเราทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายกลงมาลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจลึกถึงพระธรรมจลลรเจ้าอยู่ที่ใจรละลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจลึกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องคิดนึก ไม่ต้องคิดนึนกนึกก่พระอยู่ที่ใจเท่านั้นทำความรู้ทำความเห็นว่าเรากำลังทำพระสมาธิ ทำพระสมาธิให้สูสึกรู้เห็นให้จิตนอยู่กบอง์พระที่เราได้ทำพระไว้แล้วกลายเป็นอง์พระแล้วทีนี้ใช้ตาของเรา เราหลับตาไปแล้วพยายามทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระเพราะไม่ต้องเอาอารมณ์ที่อื่นมาใจใช้อยู่ก็องค์พระสมาธิ ทำความรู้เห็นว่าเรานั่งสมาธิอยู่ทีนี้เมื่อเรานั่งสมาธิอยู่แล้วกายเบากำหนดรู้ว่ากายนีบ้บบา จิตเบากําหนดรู้ถ้ามีอย่างนี้แล้วพึงนักปฏิบัติให้รู้สึกว่าจิตของเรานี่ เป็นสมาธิแล้วแล้วพยายามประคองไว้ผู้นั่งปฏิบัติสมาธิ ทำความรู้เห็นตนของตนเมื่อเราเนั่งสมาธิถ้าไม่เห็นกำหนดรู้อยู่กำหนดพูด ลมข้าถูลมออกไม่ให้ลิ้นกระดกด้วย นั่งธรรมสติสมัญยาความรู้ตัวอยู่ทุกขณะทำลมให้ใจเข้ากำหนดรู้ทำลมให้ใจออกกำหนดรู้ เมื่ออย่างนีแล้วสติสัมภญระก็จะดีขึ้นในนักปฏิบัติเมื่อมีสติสมัธญาดีอยู่มีปิติเกิดขึ้นก็กาหนดรู้ปิติในลมหายใจเข้า ำกำหนดรูอิติในลมหายใจออกำกำหนดรูทำให้ร่าเริงบันเทิงใจนิวรณจะได้ไม่เข้ามาจะได้ไม่มีเข้ามาเข้ามาเบ็ดเบียนกายใจของเราได้ นั่งให้ตื่นนั่งสมาธิให้ตื่นตื่นในลมหายใจเข้าให้ตื่นในลมหายใจออกให้รู้เห็นพุทธในลมหายใจเข้าโถลมหายใจออก มือรู้อยู่อย่างนี้แล้วสติสมัทิัญญาความรู้ตัวดีอยู่พยายามทรมันสพก็ลืมตาเสียก่อนทำความรู้สึกให้มีขึ้น ที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะนิวรณทีนะวิทะความครอบงำทำความรู้เหตุอยู่ทุกขณะ ถ้มันสัก์ก็ทำสมาธิลืมตาบ้างแต่ให้รู้ในลมหายใจเข้าให้รู้ในลมหายใจออกอานาปานาสติเป็นเครื่องเป็นเครื่องทำให้สว่างสวย เลิกถึงองมีความมังงาพนนให้เลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์ขาเจ้าให้เกิดปีติขึ้นมาจิตใจก็จะสว่างสวัยขึ้นมาได้ หายใจให้รู้ทุกครั้งหายใจให้รู้ทุกครั้งพุทธลมเข้ายาวกาหนดรู้ลมเข้าสัา้ากกำหนดรู้ ทำพยายามทำทำให้ตื่นจากลีวอนห้าไม่ให้เขามาครอบงำถ้ามีอาการสับงงเงาหนอนลับืมตาขึ้นแล้วจะได้เป็นผู้มีสติสมัตัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะจึงจเรียกว่า เป็นผู้ฝึกสมาธิปฏิปฏิบูชาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มาให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มาแล้วความเ ง, งเงาเอานอนจะดับไป อันที่บริสุทธิ์จะได้เกิดมีกระกายใจของนักปฏิบัติ และธรรมคำซ่องซ่อนของพระพุทธเจ้าน้อมนำอมวัไวที่ใจน้อมนำอมวัไวที่ใจมือจิตนี้ข้าพวังแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริง ใจให้รู้เห็นที่เรานั่งสมาธิให้มากเพ่งให้มากจะได้มีความรู้ ดูในธรรมคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าดูที่ผมดูที่ผมเกศผมหลับตามองดูที่ผม มองดูที่ผมเกษา ด, ดูผมให้เห็นดูผมให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้แต่รู้ในท่าเรานั่งสมาธิอยู่ทุกขณะ ไม่ห้ลืมเลยเพ่งรูปนั่งสมาธิเอาเป็นอารมณ์กำหนดลมเข้าออกอยู่เป็นอารมณ์มืออยู่เป็นอารมณ์แล้ว รรมปีติก็จะเกิดกระนับปฏิบัติก็จะได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติ สินสมาธิปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจักขกตาเราย่อมจะสว่างสวัยขึ้นก็ให้ท่านท่นเ่าให้ตื่นให้ตื่นในประพุทธในประธรรม ในพระสงฆ์ข้าเจ้าที่เราได้นอบนอบ้อมปฏิบัติบูชาอยู่ทุกหลักขณะที่เราพึ่งจะได้รู้ที่เราพึ่งจะได้เห็นให้ทำความดีใจให้มาก ปฏิปติบูชาธรรมะของพระองค์อยู่ที่กายใจของเราเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วกายก็จะเบาจิตก็จะเบาความง่วงเหงาเอานอนก็ดับไปเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นกับกายใจของเรา เราเห็นกําหนดรู้ไว้ทำความรู้นิ่งอยู่เราหลับตาจะหลับให้มากพอรู้ว่าเราหลับขนานแต่ใจเราให้ตื่นให้ตื่นอยู่ในสิ่งสมาธิปัญญา หายใจแรงกำหนดรู้หายใจค่อยกำหนดรู้เมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาจนได้เราต้องมีเพียรมีมัน ให้มากขึ้นเพียนรู้เพียนเห็นสภาวะร่างกายของเรายกขึ้นเป็นพระกรรมฐานฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของจิตใจของเราจะได้มีความรู้เห็นขึ้นเมื่อเห็นแล้ว มีรู้เห็นแล้วก็จะปีติก็จะเกิดขึ้นในในใจของเราอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นแล้วก็จะมีปีติเกิดขึ้น ที่กายใจของเรากายก็เบาจิตก็เบาควรกำหนดรู้เห็นว่าเรากำลังนั่งฝึกสมาธิอยู่ทำเหมือนอย่างกว่าเรานั่งอยู่คนเดียว นั่งกรรมฐานเพราะจิตใจนี้มันมีมีสมาธิขึ้นเท่านั้นก็จะเริ่มความเพียรมากขึ้นพวกเราชาวพุทธ ที่จะเข้าถึงาศาสนาก็ทำสมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิทางใจเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าถึงพระาศาสนาก็จะรู้ว่ากายเป็นพระใจก็เป็นพระ ก็จะรู้ทาความเป็นจริงได้นั่งแล้วเราก็สมรวมระหว่าง ระวังทำความรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละจะรู้ว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิ ทำความรู้สึกว่าเรานั่งขัดสมาธิสัมผัสอยู่กับพื้นที่แข็งๆทำความรู้อยู่ทุกขณะให้ดีใจว่าได้มานั่งต่อสมาธิกับพระพิสุสง พร้อมด้วยหมู่คณะใจก็จะได้มีความยินดีขึ้นสมาธิก็จะได้เกิดเพราะความดีใจ เราอยู่ที่ก่อนๆ น, นี้ยังไม่ได้ปฏิบัติฉันลมหายใจเราก็ไม่เคยนึกคิดว่าลมหายใจนี้จะดีชั่วสักเท่าไรเราก็ไม่เคยสนใจบัดนี้เรามาสนใจในลมหายใจข้าว มาสนใจในลมหายใจออกมือจิตสนใจอยู่อย่างนี้แล้วยอมจะนำมาซึ่งความสุขให้เพราะมันให้มีมีเพียนมีมันทางใจเนี่ยให้มาก แล้วให้รู้ให้รู้เห็นว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ทางรู้และทางเห็นจึงเรียกว่าหนักปฏิบัติเป็นผู้ทาให้ตื่นในสมาธิทางใจเราเท่ากับ ว, ว่าที่นี่ เราหนวยพัฒนาทางจิตพัฒนาทางจิตให้รู้ความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราจะได้เป็นคุณจะได้เป็นประโยชน์กับกายใจของเรา ลมหัวใจเป็นหัวข้วของชีวิตของเราถ้าลมนี่ไม่เข้าไม่ออกเราก็ต้องเข้าถึงความดับเป็นแน่นอนเมื่อเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่ กำลังเรามีชีวิตอยู่ก็เราก็จะต้องทำให้ตื่นให้ตื่นในลมหายใจเข้าให้ตื่นในลมหายใจออกก็จะรู้ว่าขันห่านี่เป็นอย่างไรหันขันห่านนี่เป็นตัวง่วงเงา เข้านอนจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันห้าเป็นอนิจจังที่เราจะมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะให้รู้จากขันห้าเป็นอย่างไร มือคันห้าดับแล้วจะมีความรู้อะไรขอให้ตั้นตั้งอยู่ทาความรู้คันห้าในลมหายใจเข้าก็รู้ในลมหายใจออกก็รู้ ความงว่วงเหงาหานอนก็รู้ความขี้เกียดขี้ครานเกิดขึ้นก็รู้แล้วพยายามทำใจยอยู่ไม่ให้อยู่ในอำนาจสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ ถ้าหากว่ามีการปวดเมื่อยขึ้นในนั่งในสมาธิก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถนั่งพระเพียบก็ได้แต่เราก็รู้ในนั่งพระเพียบอยู่กายก็เรียบร้อยใจก็เรียบร้อยให้กำหนดรู้อยู่ทุกขณะ ทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากาหนดรู้ให้ปีติในลมหายใจออกกาหนดรู้เมื่อเราทำวิย่าณีแล้วเราก็จะมีความรู้เห็นขึ้นให้มีเพียรมีมันยังไม่เห็นไม่รู้เป็นไปไม่ได้ เพราะกำลังของสมาธิของเรากำลังนั่งฝึกหัดอยู่ เพียรมีมันยังไม่เห็นไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิของเรากำลังนั่งฝึกขาดอยู่ขอสร้างศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นมาธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ เมื่อเรารู้ทมเห็นธรรมเมื่อตโนโนนนาโทตนคงตนเป็ที่พึงมีความรู้เหตุขึ้นแล้วก็จะได้รู้รมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดรู้ขึ้นใหม่ๆ เรานั่งกรรมฐานขันห้า น, นี่แหละเป็นตัวทุกข์นั่งอยู่นานก็เป็นทุกข์ เมื่อเรามีลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีลมหายใจออกกำหนดรู้เท่าสติสมััญญะรู้อยู่นี้จริงๆแล้วความว ง, งเงาขนนอนก็จะไม่มีขึ้นกับเราได้แต่ต้องมีการฝึกหัดไปฝึกหัดไปหนักเข้าหนักเข้า สติสมัญญะก็จะดีขึ้นความรู้ตัวก็มากขึ้นก็จะรู้ในลมหายใจเข้าหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้เมือ่อยังนี้หลักปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้ สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทําใจเป็นกลางกลางเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทําใจอยู่จะได้เป็นสัมมาปฏิบัติขึ้น เขอยากรู้เห็นมากก็จะไม่เห็นให้ทำความรู้อยู่ก็แล้วกัน เเปลี่ยนียบบทแล้วแล้วให้รู้ว่ามีความสุขกรกายทุกนิดับไปแล้วพยายา ม, ามทำสติสมัญญจะความรู้ตัวในลมหายใจเข้ารู้ตัวในลมหายใจออกตรงนี้แหละพยายามให้มาก แล้วจะรู้เองจะเห็นเองขึ้นมาได้เพราะต้องมีเพียรมีมันธรรมะเครื่องกระสรูธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าเมื่อเรารู้เห็นขึ้นแล้วความราตรึงบันเทิงใจ ก็จะเกิดมีขึ้นกันนักปฏิบัติถ้าเราไม่นิ่งไม่นั่งนิ่งอยู่เราจะไม่รู้ทุกข์เลยและเราจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะปฏิบัติพลนทุกข์ไม่ได้ เราจะปล่อยให้เจ็บไข้ไข่ให้แก่เท่าชราสีก่อนแล้วถึงจะมาทำด้านสมาธิยังงี้มันมือความชราเข้ามาบีบคันดูแล้วคันห้าคือความแก่ความเจ็บตายเราจะไปทับมือแก่ แรงก็น้อยกายก็ไม่คล่องแคล่วความม่องวของจิตใจก็จะไม่ค่อยมีทำสักกำลังยังไม่แก่ไม่ชาราพยาธิก็ยังไม่ทันจะมาเข้ามาเบียดเบียนได้ กายก็ค่องแคล่วใจก็ค่องแคล่วจึงเรียกว่าปฏิบัติจะได้รู้รู้ไวเห็นไหวได้ เมื่อเราปฏิบัติใหม่ยังไม่รู้ไม่เห็นถ้ามัรู้มันเห็นขึ้นแล้วและยังไม่รู้ว่าอะไรเท่าเห็นขึ้นแล้วไม่รู้ว่าอะไรที่เรานั่งสมาธิเราก็จะได้มีไทถามนําเอาข่าวของด้านสมาธิ มาให้ครูบาอาจารย์ถามไทยได้งีจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ <c oughs> จะได้สาธะเรื่องพระกรรมฐานเป็นยังไง ที่เราเล่นฝึกสมาธิขึ้นแล้วเรารู้อย่างนี้เราเข้าไปเห็นอย่างนี้จึงก็เรียกว่าเป็นผู้ฝึกกรรมฐานฐานนี้เป็นเป็นที่ตั้งกายกายเป็นที่ตั้งของจิต จิตจะควรจะเข้าไปรู้จะเข้าไปเห็นมือเห็นแล้วไม่รู้ก็จะได้ไถ่าถามข้อวัดปฏิบัติรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าอะไร เ้าสมาปฏิบัติก็จะได้รู้จริงขึ้นแล้วก็จะได้หมดความปฏิกังขา่าหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระทรงทนี้ก็จะแจงขึ้นการนักปฏิบัติ กำหนดหลับตาแล้วกำหนดที่วางคิว้วตำแหน่งที่วางคิ้วนี้จะรู้ความเป็นจริงเราหลับตาทำสมาธิแต่ไม่ได้หลับหรอกลืมอยู่ลืมอยู่ภายใน มือตาลืมอยู่ภายในแล้วจิตเป็นสมาธิล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงในคําตอนของพระพุทธเจ้า ทำนักปฏิบัติพระธรรมคือองค์ปฏิบัติเองทรมาให้บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วย่อมจะรู้เห็นชัดเช่นว่าเรานั่งอยู่ พัฒนาทางจิตใจเมื่อเรานั่งอยู่เราจะทำรู้สึกอยู่รอบรบร่างกายของเราอยู่รอบรบร่บรางกายของเรา ให้พึงว่าดีใจเรายังมีลมเข้ากำหนดรู้ยังมีลมออกกำหนดรู้เป็นผู้ทำทำบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าบูชาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะรู้ที่กายใจของเราตั้งสัตว์อธิษฐานเมื่อจะทำความรู้ใจของเราเราจะได้รู้ใจเหมือนพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์ข้าที่ท่านกำลังเพียรอยู่เราก็กำลังเพียรอยู่ อนุภาพนี้จะได้มีขึ้นกับเรามือจิตนี้มีมีความรู้มีความเห็นแล้วก็จะมีเพียรมีมั่นขึ้น ตั้งใจให้มากระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากความปิติมันจะได้เกิดเมื่อตีปีเกิดขึ้นแล้วความง่วงเงาเขานอนจะดับไปก็จะเป็นผู้ตื่นตื่นในนั่งสมาธิ บูชาพระองค์ให้มากลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากปีติจะได้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าความงวงเงาห้องนอนจะดับไปผู้ปฏิบัติ เท่ากายเบาจิตเบาจึงทำความรู้และทำความเห็นให้มาก ที่เราเพ่งกายกับใจนี่แหละใจเลิกคิดหนึกก็กาหนดรู้ใจกําลังคิดหนึกก็กาหนดรู้ใจกําลังคิดหนึกก็กาหนดรู้ใจกําลัง คิดหนึกดีมั่งชั่วมั่งก็กาหนดรู้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยขึ้นแล้วก็สติสมถัญญะก็จะดีขึ้นก็รู้อีกเหมือนกันรู้ทางดีรู้ทางชั่วแล้วเฉยจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติ นั่งกำหนดรู้อยู่ทุกขณะเมื่อนั่งกำหนดรู้อยู่ทุกขณะแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อจิตนี่ผูกนิวรฉาบทาง่วงเงาเข้านอนกำหนดรู้จิตนี่ง่วงเงาเข้านอนดับไปกำหนดรู้ ให้รู้อยู่อย่างเงี้ยนักปฏิบัติชาวพุทธนักปฏิบัติต้องมีคันติความอดทนที่ปฏิบัติมีความรู้อยู่อย่างนี้แล้วที่ต่อไปที่เรา จะกลับเลิกไปจากที่เราปฏิบัตินี้เราได้มานั่งปฏิบัติกันถ้าแม้นว่าเราเลิกจะนั่งปฏิบัติครั้งใดเราก็จะ ทำอย่างนี้แหละทำจนจนเปลี่ยนอารมณ์ได้ทีนี้การจะสอนในการด้านที่จะออกจากสมาธิที่จะออกจากสมาธิจิต เว้นแต่เราถ้าไว้อยู่บ้านแล้วที่บ้านเรานั่งอยู่คนเดียวเท่าจิตใจของเราพอการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องเรียนใช้มือ มือขวาออกไปไวที่หัวค่ำแล้วก็ค่อยๆลากไปติดที่ที่ข่าเราแต่เราหลับตาใช้มือลากไปกำหนดรู้รู้สึกทำความรู้สึก แล้วเมื่อขณะลากไปสัมผัสกับมือกับขานี้แต่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกหรือที่เราลากมือไปความรู้สึกด้วยแล้วเห็นด้วยอย่างนี้ก็พึงว่าเรามีความรู้ เรามีความเห็นแล้วค่อยๆค่อยๆชุดมือไปวางไว้ที่หัวข่าเนี่ยแล้วเราทำความรู้ความเห็นว่าองค์พระสมาทิเป็นอย่างนี้มือที่เราเคยซ้อนกันอยู่เราทำความรู้สึกออกแล้วมาเหนี่ยวรังไว้ที่ ที่หัวเขาของเราเราก็มีใจมีใจความรู้รู้สึกว่าเราหวางจะหวางมือไว้แบบนี้แล้วมือสายยังอยู่อยู่ที่วางไวตามที่เคยทําความรู้เท่ามีความเห็นขึ้นด้วยมีทั้งรู้ทั้งเห็น พึงว่าให้นักปฏิบัติในพึงดีใจว่าเรารู้เราเห็นแล้วพยายามชักชักมือทายไปเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยมือใจของเราเนี่ยมือเปลี่ยนอิริยาบทแล้วมือแขน ทั้งสองข้างนี้ไปวางไว้ที่พวกเขาเ้าแล้วก็จะสบายกายก็จะสบายขึ้นกายก็สบายใจก็สงบอย่างนี้ก็ให้นั่งให้นั่งเพ่งความรู้และความเห็นอย่างนี้ไปอีก เพอราหนึ่งครั้งนี่จะมีสมาธิมือออกก็มีพออย่างนี้แล้วเราทำความรู้เห็นใช้ยกมือสองข้างเที่ยวเข้ามาพนมไว้ที่ที่หัวอกเรากรงหัวใจแล้วทำความรู้เห็นที่เรายกมือขึ้นจองข้าง แล้วพยายามของความรู้เห็นอยู่ทุกขณะถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ว่าเราได้ยกมือสองข้างอย่างนี้ถ้ายกมืออย่างนี้ทำความรู้สึกถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีแล้วก็แ ช, ยชยยยนน่ยค่อยๆมาผานหมไวทินาอกเราก็เพ่งว่า เราไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เราได้พนมมืออยู่อย่างนี้เมื่อเราทำความเพียรอยู่อย่างนี้บ่อยๆเรื่องไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนอยังอยู่ พรนิพพานก็ต้องอยังมีอยู่ไม่ไม่เสือ่อมไม่หายไปทางใหนขาดอยู่ในกันพวกเราจะให้มีความเพียนก็นแล้วกันถ้าไม่ไม่ไม่มีความเพียนวุ่นนั้นก็ยังไกลไกลาจากหัวใจของตัวเองแล้วก็ยกขึ้นก็ขนมที่วางคิวของเราทำความรู้เห็น